ก็ปฏิบัติสอบเป็นสอบขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่เราไปเจวันออเป็นครั้งแรกที่อาตมาได้เข้าเก็บอารมณ์จริงๆจังๆเพราะว่าตอนที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อมหาอยู่ที่ต่างประเทศก็เป็นการเก็บอารมณ์แค่วันสอง จะเป็นวันสองวันวันสองวันทั้งนั้นที่เข้า7วันแต่ว่าวันที่เก็บอารมณ์ก็นจริงๆก็เป็นวันสองวันความแตกต่างความรู้สึกมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันมากเพราะว่าตอนที่เก็บอารมณ์อยู่ที่ต่างประเทศเราควรู้สึกที่อาตมาได้เนี่ยตอนนั้นยังไม่ชัดเจนจนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอาตมาได้ลองปฏิบัติแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ เห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่ต่างประเทศกับการปฏิบัติที่เมืองไทยคือที่ต่างประเทศเราปฏิบัติในเพศคารวาสเนี่ยเรารู้สึกว่าไปวีทรีแต่ละครั้งหรือว่าเข้าคอร์สแต่ละครั้งเนี่ยเราไปหาความสนุกเพลิดเพลินกับอารมณ์สภาวะที่มันได้เราได้ปัญญามานิดนึงได้ความรู้มานิดนึงเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมันตื่นเต้น อยากจะไปแต่ละรอบแต่ละรอบก็แต่พอมาปฏิบัติที่แพร่แสงเทียนโล้ววันละสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงติดต่อกันมันเห็นมันมันเห็นถนึงความทุกข์ที่แต่อัตมาจะเน้นความทุกข์ในใจมากกว่ามากกว่าความทุกข์ทางกายที่หลายๆคนนักปฏิบัติหลายคนจะบ่นว่าปวดขาเมื่อยขาอัตมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นแต่เป็นเป็นทุกข์ทางใจ มันเห็นหนึ่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดตลอดเวลาในเฉพาะสามวันแรกที่ปฏิบัติอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านไม่เคยมีอารมณ์นี้มาก่อนแล้วก็คราวนี้ก็พยายามที่จะ พยายามที่จะคิดหาแทนหายวิธีมากที่แทน ไ, นไม่พ อ, พอว่าไปอ๋อ ก, ก็เอาใช้ใช่ไหมปไป อ, อ, อ, อ, อ๋มขอโทษครับก็กพยายามหาแผนที่จะ คิดอยู่หลายวิธีปฏิบัติ3าวันนี้คิดได้ประมาณ4ี่ห้าแผนว่าจะหนีหลวงพ่อมาหากลับยังไงจะหนีกลับยังไงจะยังไงโอ้มันตอนเช้าก็คิดอยากจะกลับตอนเย็นก็คิดอยากจะอยู่พรุ่งนี้เช้าก็อยากจะอยู่ต่อมาก็อยากจะกลับมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาความคิดจนมันเหนื่อยมันมันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะทั้งวันคิดแต่จะกลับจะอยู่จะกลับจะอยู่จะกลับจะอยู่ จนวันที่สี่มันมันเห็นตัวเองเหนื่อยกับเหนื่อยกับความคิดมากว่ามันไปก็ไม่ได้จะกลับก็ไม่ได้จะอยู่ก็ไม่ได้แล้วก็มันก็ได้ความคิดขึ้นมาว่าเราจะเอาความคิดแก้ความคิดต่อไม่ได้แล้วเราจะทุกข์มากเราเราออกไม่ได้แนะ่เอาความคิดมาชนกับความคิดเนี่ยมันก็วนกันไปวนกันมาอัตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงทางเดียวก็ แต่ว่าระหว่างที่คิดอยู่อาตมาก็เดินจงกรมไปเรื่อย<ๆ><ๆ>เดินจงกรมไปเรื่อยไม่หยุดนะครับมันนึกถึงว่าเรามาที่เนี่ยเราเพื่อทําตัวรู้ดังนั้นคิดว่าตัวรู้เนี่ยน่าจะช่วยเราได้ก็เลยไม่ใช่พยายามไม่คิดก็ให้มันคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าเราเพิ่มตัวรู้เข้าไปจนมันมีอยู่วันหนึ่งที่อาตมาก็ฉันอยู่ ความคิดอยากจะกลับบ้านมันก็มันก็เกิดแต่ครา้เนี้ยเราแค่กระดิกนิ้วทีเดียวปรากฏว่าความคิดที่จะกลับบ้านมันหายไปเลยมันไม่ใช่ความคิดแก้ความคิดแต่มันเป็นตัวรู้ไปอยู่กับไปแก้ปัญหาหลังจากนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าตัวรู้เป็นตัวที่เราเราต้องเอาเป็นตัวที่ทำให้เรามีมี วันนั้นอาตมารู้อย่างเดียวว่าความสุขไม่ต้องการละขอแค่ให้ออกจากทุกได้ก็พอดังนั้นก็เลยมันได้ความคิดว่าการที่ปฏิบัติต่างประเทศเนี่ยเราจะเอาแต่ความสุขเราจะเอาแต่สภาวะที่ดีจะเอาแต่สภาวะที่ไม่เคยเจอแต่พอมาวันนั้นอาตมาบอกตัวเองว่าขอแค่ไม่ทุกข์ก็พอละไม่ต้องการความสุขไม่ต้องการสภาวะอะไรทั้งนั้น มันก็มันก็ยังไม่ชัดจนเมื่อวันที่หวันที่ 7. เอ่ดมันตอนเช้าได้คุยกับยมป้าพิกุลแล้วก็พอกลับไปเข้าทางจงกรมปฏิบัติมีความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาว่าทำไมเราปฏิบัติมาตั้งนานเรายังเอาไปใช้งานไม่ได้ หลวงพ่อมหาจะพูดอยู่บ่อยๆว่าปฏิบัติแล้วต้องใช้งานได้หรือว่าโยมแม่สมพรที่อยู่รักสเปกัสก็จะพูดว่าปฏิบัติแล้วมันต้องแก้ตัวเองได้มันต้องเปลี่ยนตัวเองได้อย่างที่เมื่อกี้หลวงพ่อเทียนก็ก็พูดเหมือนกันอาจจะว่าข่าวตัวเองเรายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เรายังแก้ตัวเองไม่ได้เพราะนั้นปัญญาย้ความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันขึ้นมาระหว่างทางให้เราสนุกให้เราเพลิดเพลิน ให้เราอะไรก็แล้วแต่มันมันมันยังช่วยให้เรามันยังเปลี่ยนเราไม่ได้ดังนั้นนมันก็เลยไม่มีความตื่นเต้นความรู้ก็เก็บอารมณ์รอบนี้ส2วันอตมาก็ได้ความรู้อะไรใหม่ๆก็ขึ้นมาเยอะแต่มันไม่มีความตื่นเต้นที่จะเล่าที่จะบอกที่จะเพราะว่ามันมันเห็นว่ามันมันเป็นแค่ของเล่นจริงๆมันช่วยเราไม่ได้จริงๆบางวันก็เห็นความง่วงเป็นระดับระดับ บอเออง่วงเก้านี้กับง่วงเก้าที่แล้วไม่เหมือนกันก็เลยนึกถึงที่หลวงพ่อมาหาเคยพูดว่าเวทนานี้เราก็ไม่เหมือนกันอาตมาก็คิดว่านี่คงเป็นจุดที่หลวงพ่อมาหาท่านพูดว่าเวทนาเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีระดับอาตมาก็เพิ่งเห็นว่าความง่วงมันมีระดับเก้านี้นง่วงเท่านี้ก้านี้ง่วงเท่านี้เก้านี้ง่วงเท่านี้แต่ว่ามันไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีความที่อเากจะแบบ บอกกับใครหรือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะมีเราจะมีความรู้สึกสนุกกับกับสิ่งที่เราพบที่เราเจอแต่ว่ารอบนี้มันมันรู้สึกว่ามันยังเปลี่ยนเราไม่ได้มันยังช่วยเราแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นก็เลยเอาความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆออหลังจากนั้น ก, ก็พยายามมารู้สึกตัวมากขึ้นก็ ตอนนี้มันเหมือนก็มีบทสรุปให้ตัวเองว่าเข้าใจคิดว่าเข้าใจระดับหนึ่งว่าทำไมหลวงพ่อมาหาโยมแม่สมพรโยมป้าพิกุลป้าจา์กระสินหรือว่าอาจารย์ต่างๆในสายหลวงพ่อเทียนจึงเน้นว่าให้แค่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเพราะว่าเวลาปฏิบัติเราจะหลงไปกับสภาวะต่างๆดีเราก็จะเอาไม่ดีเราก็จะไม่ดีเราก็ไม่เอาแต่ว่า รอบนี้ปติอัตมาเห็นเห็นความความความเป็นกลางชัดขึ้นอยู่ปฏิบัติดีก็ก็อยู่ได้ไม่ดีก็อยู่ได้หลงเราก็รู้ว่ามันหลงแต่ก็ให้มันอัตมาไม่รู้วถูกหรือผิดแต่ก็ให้มันหลงแต่เรารู้อยู่ว่ามันหลงมันไม่หงุดหงิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้เรามันไม่เราฟุ้งซ่านเราก็ไม่หงุดหงิดว่า เอ้ยทำมันมันไม่ดีเหมือนเมื่อกี้มันเกิดความว่าไม่ดีฉันก็รู้ว่ามันไม่ดีวันดีฉันก็รู้ว่ามันดีแล้วก็ก็เป็นเหมือนกับว่าแล้วก็หลังจากที่ออกจากเก็บอารมณ์ก็ได้ไปอ่านมีโอกับอ่านหนังสือหนังสือหลวงพ่อเทียนมันมีความเข้าใจมากขึ้นอีกระดับหนึ่งกว่าเมื่อก่อนที่เราอ่าน เมื่อก่อนเราอ่านว่าคิดก็อย่าไปแห่ความคิดนะก็ให้มันรู้ก็ให้มันคิดไปแต่เราต้องรู้แมื่ก่อนอาตามาคิดว่าอาตามาเข้าใจแต่ว่าพอเก็บอารมณ์ออกมาแล้วรู้สึกว่าความเข้าใจก่อนหน้าเนี้ยมันก็ถูกแต่มันยังถูกไม่หมดพอออกมารอบนี้บอกอืมอ่านคําหลวงพ่อเทียวแล้วเราเข้าใจมาอีกระดับหนึ่งแต่อ า, อาตามาเข้าใจว่ามันก็จะต้องมีความเข้าใจที่มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ หรือว่าอ่านหนังสือของโยมป้าพิกุลเราก็ตะก่อนจะมีอยู่คําพูดหนึ่งที่โยมป้าพิกุลเขียนในหนังสือว่าหลวงพ่เอเทียนถามว่าหลงแล้วรู้ไหมโยมป้าพิกุลบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้ไหมก็รู้อต า, า, อนนามอ ต, ม า, ออตมาคิดว่าอันนี้เป็ความคิดอาตมาเองอาตมาคิดว่าอาตมาเพิ่งเข้าใจคําพูดนั้นว่าหลงเราก็รู้ว่าเราหลง เพราะถ้าก่อนเราเข้าใจว่าหลงเราต้องไม่รู้รู้แล้วต้องไม่หลงแต่ว่าตอนนี้เหมือนก็ว่าหลงอ่ะเราก็รู้ว่าเราหลงรู้เราก็รู้ว่าเรารู้ความคิดมาเราก็เห็นความคิดแล้ว ก, ก็เห็นตัวเราปฏิบัติอยู่มือก็เป็นขณะขณะเป็นจังหวะจังหวะความคิดก็เห็นว่าเราคิดว่าอะไรมือก็รู้ว่าเรากาลังเป็นขณะว่าอะไรเคยฟังอ่า พระอาจารย์มงคลพูดอยู่ที่ลาสเวกัสว่าความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอาตมาก็เหมือนกับไม่ปักใจเชื่อเต็มที่ว่าทำไมความต่อเนื่องถึงสาคัญรู้แต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อเอาสนุกสนุกความต่อเนื่องก็เราไม่ต่อเนื่องเราก็ได้ความสนุกด้วยของเล่นระหว่างทางมาเยอะแยะแต่พอมารอบนี้ความต่อเนื่อง สำคัญจริงเพิ่งเห็นความสําคัญของความต่อเนื่องเพราะนี่เป็นการเก็บอารมณ์ของอาตมาครั้งแรกเห็นความต่อเนื่องของความการปฏิบัติมันมันทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างชัดเจนขึ้นแต่อาตมา ก, ก็รู้ว่าทางที่จะต้องเดินมันมันยังมีอีก ม, มันมันมีอีกมันมีอีกยาวอืมก็ ก็สรุปง่ายๆถ้าเป็นตากล่อมาตมารู้สึกว่าอาตมาจะพูดได้เยอะกว่านี้เพราะว่าเก็บ7จวันอาตมาก็จะเล่าเลยวันที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นวันที่2เกิดอะไรขึ้นวันที่3เกิดอะไรขึ้นเพราะอาตมาจะเป็นคนที่จดแล้วก็ชอบจํารายละเอียดเพราะมันสนุกกับสภาวะที่มันเกิดในแต่ละวันแต่ละวันแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าสภาวะนั้นเกิดพอมันเกิดเสร็จแล้วมันก็หมดไปแต่ละมันไม่ใช่หมดไปแต่ละวัน บางทีเก้าไปเดือนจงกรมไปเก้าสองเก้ามันก็หมดหมดเสร็จอัตมาก็รู้แล้วว่ามันเกิดสภาวะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้มันคือเก้านี้มันก็เลยมันก็เลยไม่ได้จดไม่ได้จำอะไรเหมือนแต่ก่อนเพราะมันมันเหมือนกับว่าเก้านี้เรารู้สึกไหมถ้าเรารู้สึกถือว่าเราเราสอบผ่านถ้าเก้านี้ แต่อาตมาก็ยังยังหลงหลหลงไปเยอะพอสมควรไม่ใช่บอกว่ารู้ทุกก้าวก็ยังยังหลงแต่ว่าช่วงช่วงที่อยู่ที่นั่นก่อนเก็บอารมณ์อาตมาได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อมหามีประโยคหนึ่งที่อาตมาชอบมากหลวงพ่อมหาบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราอยูปป่เป็นปุถุชนอยู่การหลงเป็นเรื่องเรายังหลงอยู่ดังนั้นเป็นเรื่องปกติ ก็ให้รู้ว่าก้าวต่อไปหรือว่าสิ่งที่เราทําต่อไปตอนนี้เรามีสติหรือเปล่าอาตมาก็มาแปลความหมายง่ายๆว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองมากขึ้นหลงปกติอาตมาเนี่ยหลงแล้วอาตมาจะไปหงุดหงิดว่าทําไมตัวเองหลงอีกแล้วทําไมหลงอีกแล้วทําไมหลงอีกแล้วทําไมรู้นิดเดียวแต่พอได้คำพูดนั้นอาตมาจําได้ตลอดหลังจากที่อ่านวันนั้นเราไม่เคยให้โอกาสตัวเองในการปฏิบัติเราจะเอาแต่รู้รู้รู้รู้ พอลงขึ้นมาเราก็งุ่นงดตัวเองเราก็จะบอกตัวเองปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ดีแต่ว่าหลังจากอ่านนักอ่านประโยคนั้นของหลวงพ่อมหาอัตมาก็บอกว่าหลงก็ไม่เป็นไรก้าวนี้อัตมารู้หรือเปล่าถ้าก้าวนี้อัตมารู้อัตมาถือว่าอัตมาสอบผ่านดังนั้นก้าวเมื่อกี้อัตมาก็ไม่สนใจว่าอัตมาหลงไม่หลงขอให้ก้าวนี้ยอัตมารู้อัตมาก็จบที่จบที่ก้าวนี้ ก็สรุปล้วก็ก็ได้ได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างในการเก็บอารมณ์แล้วความรู้สึกที่อยากจะหนีหลวงพ่อมาหากลับมันมันน้อยลงแต่ถามว่ามีไหม ม, มีแต่ว่ามันหยุดด้วยการด้วยด้วยการรู้มันไม่ได้หยุดด้วยความคิดว่าเออไม่กลับดีกว่าเพราะว่าอยู่ปฏิบัติ มันจะมีอย่างอื่นดีๆอันนั้นอาตมารู้เลยว่านั้นคือหยุดด้วยความคิดแล้วมันก็จะไม่จบเพราะเดดขนาดต่อไปอาตมาก็จะคิดหาแผนที่จะมาสู้กับความคิดนี้แต่พอหยุดด้วยความรู้เนี่ยมันจบโดยที่โดยที่มันอาตมาก็ไม่รู้มันจบยังไงแต่รู้ว่ามันจบมันหรือว่าความคิดไม่จบอาตมารู้แต่ว่าอาตมาจบมันมันเป็นคอน อ, อธิบายไม่ถูกว่าว่า ความคิดมันจะต่อก็ต่อแบบอาตมา ร, รู้ว่าอาตมาจบยกมือขนาดนี้แล้วอาตมาจบหรือว่าก้าวขนาดนี้แล้วมันอาตมาจบอาตมาก็เไม่ไม่สนใจว่าความคิดมันมันจบไม่จบแต่ว่ามันจบอยู่ข้างในก็แต่ว่าอย่างที่อาตมาบอกว่าก็ยังมีอีกหลายรายอย่างที่อาตมา ร, รู้สึกว่าก็จะต้องทาต่อเพราะว่าตอนนี้ยังรู้สึก ว่ายังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แต่ว่าเปลี่ยนได้ได้ดีขึ้นแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้หมดแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่ได้หมดอย่างหนึง่งแล้วก็อืมอยังไงยังเอาไปแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ถ้าแต่ที่ผ่านมาอาตมารู้สึกว่าหลังจากที่ออกมาจากการเก็บอารมณ์เนี่ย ก็มีการกระทบหลายๆอย่างอย่างเมื่อวันซืนก็ก็เกิดอาตมาก็รู้สึกว่ามันมันจบระหว่างที่ล้างบาตรอยู่มันก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมามันก็จบโดยที่เราโดยที่เรารู้แล้วมันก็จบซึ่งเป็นตะกอ้ออาตมาก็จะคิดหาทางให้มันจบเด้งเราเราเห็นาตา ยกตัวอย่างชัด ก, ก, ก็คือ ท, ที่ที่ล้างบาตแต่อาตมาไม่ขอเอ่ยว่าว่าเป็นว่าเป็นใครนะครับก็คือเราเราเห็นอัตตาเห็นอัตตาของของคนอื่นแต่ก่อนเนี่ยอาตมายอมรับเลยอาตมาจะพูดว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยหรือว่าสิ่งที่อาตมาตอบเนี่ยเราเก่งกว่าเขาเราคําถามเขาคิดว่าตอนที่เ้าถามอาตมาเนี่ย อาตมารู้เลยว่าคําถามของเขาคือเขาต้องการจะบอกว่าเขาเก่งกว่าเราแล้วเราจะตอบคำถามเขาไม่ได้อาตมาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอย่างไงแต่าอาตมาก็ตอบไปตามสภาวะที่อาตมารู้สึกอหลังจากตอบไปเสร็จเขาก็บอกว่าเราปฏิบัติ ด, ดีถ้าก่อนอาตมาจะถ้าเป็นอาตมาก่อนเนี่ยยอมรับว่ามันอัตตามันเยอะเราจะรู้ว่าเราปฏิบัติ ด, ดีเราจะบอกว่า ใช่เราปฏิบัติถูกแล้วคุณเนะี่ยยังยังไม่ถูกแล้วมันก็จะมีความคิดดีขึ้นมาเอ้ยเราอย่าไปว่าเขาเลยเราแต่ก่อนเราก็ไปเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นน่ะมันไม่มีความคิดว่าเราอย่าไปว่าเขาเลยมันแค่รู้แล้วมันก็จบว่าต่อมาก็ไม่คิดถึงคิดถึงเรื่องนั้นมันก็มันก็จบลงไปในขณะที่เราล้างบาตเราก็เลยก็เลยคิดว่าเราอยู่กับ อยู่กับอารมณ์ของเราเองได้ดีขึ้นมันมันไม่ค่อยไปนสนใจคนอื่นว่าคนอื่นจะอารมณ์ไหนแต่ว่าอารมณ์เราเราคุมเราได้อัตมาก็ถือว่ามันจบจบแค่นั้นแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายหลายเรื่องที่อัตมาก็ก็ยังไม่จบบางเรื่องอาจจะใช้เวลานา น, านบางเรื่องอาจใช้เวลาน้อยบางเรื่องก็อาจจะนานมากแต่ก็แต่ก็เป็นตัวที่ทาให อาตมารูาา้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้หลวงพอ่พอกระสินตอนแรกบอกให้อาตมาอยู่ออาตมาขอหลวงพ่อก็ะสินอยู่เก็บอารมณ์ต่อหลวงพ่อกรอสินก็แนะนําว่าให้ออกมาก่อนอาตมาก็ไม่ขเข้าใจว่าทําไมต้องออกมาก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องออกมาก่อนแต่พอออกมาปุ๊บเราได้เห็นเลยว่าเวลาเรามาอยู่กับชีวิตปัจจุบันเนี่ยเรายังเรายัง แก้ไขปัญหาไม่ได้มันเหมือนเป็นตัวบอกเราว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นตัวบอกเราว่ามันเหมือนเป็นเป็ น, ป น, ปนการประเมินเราไปในตัวว่าอ๋อออกมาข้างนอกแล้วเรายัางไม่ดีดังนั้นเข้าไปเราต้องมีอย่างอื่นที่ทําให้ทําอีก <c oughs> <c oughs> ก็คุยกับหลวงพ่อเกษหรหลวงพ่อเกษรก็บอกว่า นั่นแหละนี่คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะให้ออกมาให้ออกมาประเมินตัวเองว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยเราได้จริงหรือเรายังไม่ได้จริงถ้าเป็นตะกออาตมาจะรู้สึกว่าโอ้เราต้องอยู่ปฏิบัติต่อออกมาข้างนอกนี่ไม่ดีเราหลงนี่ไม่ดีแต่ว่าสาวมันเก่อพอออกมาปุ๊บมันมันได้ข้อคิดเลยว่าอ๋อการออกมาเนี่ยมันทําให้เราประเมินตัวเองได้ว่า เราอยู่จุดไหนของการปฏิบัติว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แค่ไหนมันมันกลับเป็นข้อดีนั้นก็เลยพยายามที่จะปฏิบัติอย่างเวลาเดินบินธบะอาตมาก็จะเดินจงกรมไปเรื่อยๆก็มันเหมือนกับว่าทุกทุกนาทีเนี่ยมันความรู้สึกนี้มันขึ้นมาตั้งแต่มาหลายแต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกวินาทีนี้เราไม่อยากจะขาดทุนในการปฏิบัติ แว่าอย่างที่บอกบางทีมันก็หลงบางทีมันก็เพลินไปมกับข้างนอกแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่มันไม่รู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าก้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราลืมปฏิบัติเนี่ยเราขาดทุนมากเลยมันเป็นความความความคิดที่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ก็ดีครับก็โดยสรุปแล้วก็ถือว่าการเก็บอารมณ์ต่อเนื่องครั้งนี้ ทำให้ตรามาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการปฏิบัติแล้วก็ได้ได้ได้เจอกลยานามิตรอีกท่านตอนนี้ต้องต้องพูดจริงๆว่าหลวงพ่อพกสินท่านเป็นกลยานามิตรที่ดีอีกอีกรูปน่งทีเดียวก็แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีเรามีอะไรที่เราต้องทำต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่จบครับก็มีเท่านี้ครับหลวงพ่อพ ปิดแล้วก็เปิดใหม่บล็อกปิดแล้วก็เปิดม่ปิดแ <c oughs> ดดไม่พอปิดปิดแล้วเปิดเอาใหม่